เอาหน้าอย่าซสีเรียกเรื่องควันบุรีวันนั้นมีนักธุรกิจคนหนึ่งมาทำบุญที่วัด แกสูบบุหรี่จัดมากนั่งคุยเดียวเดียวออกไปสูบบุหรี่อีกแล้วกลับมานั่งคุยเดียวเดียวจุดบุหรี่สูบอีกแล้วหลวงพ่อรำคาญเลยบอกว่าไอ้พวกที่กินเหล้าสูบบุหรี่นี่เป็นคนสินคิดกินเข้าไปสูบเข่าไปเผื่อทำลายร่างกายทำลายปอดทำลายตับ ไม่มีประโยชน์อะไรเลยปัญญาอ่อนกินเข้าไปทำไงแหมเขาโกรธพระหน้าแดงเลยไปด่าว่าสิ้นคิดเขาบอกว่าบุรีเนี่ยมีประโยชน์สูบเข้าไปแล้วทำให้สมองปลอดโปร่งแจ่มใสคลายเครียดแก้เหงาทำให้เพลิดเพลิน เถียงพระนึกว่าพระโง่หลวงพ่อถามย้ำอีกทีเผื่อจะเปลี่ยนใจตกลงว่าควันบุหรี่นี่มันดีไม่โยมดีครับดีแน่นนะดีแน่ถ้ะควันบุหรี่มันดีจริงอย่างที่ว่าเวลาสูบแล้วผลออกงาทำไมละ่ะทำไมไม่เก็บไว้ในปอดให้หมด เขาโมโหพระหน้าแดงขับรถออกจากวัดไปเลยสงสัยว่าเขาจะไปอดบุหรี่แต่ถ้าไม่ไปอดบุหรี่พระคงจะอดข้าวเพราะคงไม่กลับมาทำบุญวัดนี้อีกแล้วขอโทษพระเผลอเทศแรงไปหน่อย